แนะนำบทอัลบาลัตบทนี้เป็นบทมัคคิยาะมี20องค์การบทนี้ได้เริ่มต้นในการสาบานต่อเมืองที่ต้องห้ามซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนับี้สุลลัลวะเดวะสลัมเป็นการให้ความยิ่งใหญ่แก่กิจการท่านเป็นการยกย่องสถานะอันสูงส่งของท่านหน้าที่พระเจ้าของท่านและเป็นการเตือนพวกกุฟฟาตว่าการทำร้ายท่านรอซูลในเมืองที่ปลอดภัยนั้นเป็นบาปอันอุกติต นักที่อวลอ้อผู้ทรงสูงสง่งวันนี้ได้กล่าวถึงพวกผูกฟาสมักกะบางคนซึ่งภาคภูมิใจในพลังของพวกเขาแล้วก็เดดืด้อรั้นสัจธรรมและปฏิเสธท่าราศูนทรลลลอวรวัศลัมพวกเขาได้ใช้จ่ายทรัพย์ออกไปในการอวดอ้างและการประบวดประชันกันโดยคิดว่าการจ่ายทรัพย์สมบัติไปนั้นจะช่วยผลักดันการลงโทษของอัลลอ์ให้พ้นไปจากพวกเขา โครงการต่างๆได้ตอบโต้พวกเขาด้วยหลักฐานอันเด็ดขาดและข้อพิสูจน์อันชัดแจง้งบทนี้ได้กล่าวถึงความน่ากลัวและความรุนแรงของวันเพียมะและสิ่งที่จะปรากฏต่อหน้ามนุษย์ในพารโลกเช่นความยากลำบากความเหนื่อยยากและอุปสรรคนานาประการซึ่งเขาจะไม่สามารถแก้ไขหรือผ่านพ้นไปได้เว้นแต่ด้วยการศรัทธาและการทความดีเท่านั้น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 โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาเพื่อเผชิญความยากลําบากเขาคิดว่าไม่มีผู้ใดมีความสามารถเหนือเขาการะนั้นหรือเขาจึงกล่าวว่าฉันได้ฐานทรัพย์สมบัติมามากมายแล้วเขาคิดว่าไม่มีผู้ใดเห็นเขาการะนั้นหรือ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 ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่พาดเพียรในความยากลำบากและอันใดเล่าที่จะให้เจ้ารู้ว่าทางลำบากนั้นคืออะไรคือการปล่อยทาสคือการปล่อยทาสหรือการให้อาหารในวันอันหุวโหยแต่เด็กกำพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิด ห ร, รือคนขัดสนมอมแมมอยู่กับดิ น, แ ล, น, น, นแล้วเขาก็ได้อยู่ในหมู่ผู้ัทาและตัเกเตือนกันให้มีความอดทนและตัเกเตือนกันให้มีความเมแล้วเขาก็ได้อยู่ในหมูผู้ศัทธาและตักเตือนกันให้มีความอดทนและตักเตือนกันให้มีความเมตา วนเหล่านี้คือพวกฝ่ายขวาวลลส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆของเราพวกเขาคือพวกฝ่ายซ้ายบนพวกเขานั้นมีฝ่ายนรกครอบคลุมอยู่อย่างมิจชิต